วางลงแล้วอะไรเป็นสุขวางลงอะไรเป็นทุกข์วางลงอะไรมีความยืดใวยในขันหน้าเราโกดความโลภความหลงเขาว่ากับเราเขาทำกับเร า, ย, า, า, งงเ า, ายืดด้วยพอวางหล่ก็เมาไม่มีพละเรามาได้ยืดด้วยมือ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 แยกจากนี้ไปเห็นกายเป็นสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตอนเราเขาเห็นสุขเหนทุกข์ก็สักว่าสุขว่าทุกข์ไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตอนเราเขาเห็นจิตที่มันปกุ้นค้น ค, คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตอนเราเขาเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจที่ว่าธรรมาอารมณ์เบีดเอาความสุขความรักความชัง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 ประชาชนแขกที่ไปบวนหลองไม้ร้องบวยไปโวยไปโวยไปยปยไปเร า, อ, า อ, ออกมาแล้เจ้าสาวไปจับไหม่พูดขึ้นแก้วพระเจ้าจะเป็นพัญญาที่ดีของสามีแก้วเจ้าจะมีสามีคนเดียวเพียงเท่านี้แก้วพระเจ้าจะเป็นแม่ที่ดีของลูก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 มันตอนคอหายใจไม่ได้ไปชูตะอนเออถ้าอย่างนั้นรักษาได้ให้คีดจีโมูตัวใหม่ให้หลวงพอ่อโดยด่วเนเพื่อจะกัดคอนั่ให้มันจุบให้หลวงพ่อหายใจได้ถ้าไประชาไปเสียดวิีวการรักษาอื่นใดทั้งสิน้นปฏิเสธทุกอย่างให้คีดจีโมูเข้าไปโดยด่วนเราก็มีความรู้แบบนี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 ไอ้วันพุทธเจ้าตัดชลูกพุทธเจ้าทำแบบใดใช่กําเนิดหรือเป็นกษัตริย์หรือเป็เจ้าพ่อชายหรือไม่ใช่สามัญชนในจิเรตัญหามีความโกรธความโลภความหลงยังห่วงพิมพ์พายังห่วงลาหน์ยังคิดถึงประชาสามระดูยังคิดถึงเสาโตนงคํานันในยังคิดถึงเพลิดทรัพย์ ส, สิ่นสดึงขานทั้งหลาย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 ทีแรกอาจจะลิบปลีนิบปีอยู่ที่ไหนหมกมุ่นคนคิดอยู่ในโดงแห่งความคิดบ่ลูกเช้าหน่อยก็เป็นกระเสแน่อนอนเหมือนแสงสว่างออกมาออกมาแสงสว่างน้อยๆนัน่นแะมันจะเป็นทางออกไปจะพบทางออกไปช่วยเองนะนะแล้วมันหลงลูกก็ไม่อยู่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 อยู่ที่นี่อยู่ที่อย่านี้ไปจากนี่อย่านี้ไปจากนี่พูเจ้าว่างนี่เราจะไม่หนีจากที่นี่แม่เลือดเงื่อเงอเอ็นจะกรุกแก ผ, ผัพังก็ตามเราจักไม่หนีจากที่นี่ไม่หนีจากโพธิเนี่ยคือโพธิคือสติปัญญาลูทุกตัวไม่ต้องรอนะพลิกขึ้นลู ท, ทันทีไม่ต้องรอเหมือนกับปลูก ข, ข้าวปลูก ข, ข้าวต้องปีหนึง่งครึ่งปีจึงค่อยได้กิน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 อยากลูบเวลาไหนก็ได้ไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่จํากัดการลูบขึ้นว่าเอฮีปฏิโกนะน้องมาเสรแล้วโอเปะนะไกประกาศให้คนอื่นลูบว่ามาทํานี่มาทํานี่มาดูนี่มาดูนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้อย่างเจริงในธรรมที่คนลูบคนเห็นตามทุกข์ควรเจ้ผู้ปฏิบัติ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 แม่อาหารเนี่ยอ้าวก็สมควรเจล่า